อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ตามหลักศาสนาคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ก็คือใจของพวกเรานี้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่สิ่งต่างๆที่มหัศ จ, จรรย์ที่มีอยู่ในโลกนี้หรือแม้แต่ร่างกายของพวกเรา ก็ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจเพราะว่าไม่มีอะไรเหมือนจิตใจไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขแก่จิตใจได้เท่ากับจิตใจและไม่มีอะไรจะอยู่ตลอดไปได้เหมือนกับจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราหามาเพื่อให้ความสุขกับเราหรือร่างกายของพวกเรามันก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองมันต้องมีวันหมดออให้มันวิเศษขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องหายหมดไป แต่มีเสียงเดียวที่ไม่หายไม่หมดที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดก็คือจิตใจนี่เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสุดยอดของสมบัติไม่มีสมบัติอันใดในโลกนี้จะมีคุณค่ามีประโยชน์แก่เรามากยิ่งกว่า ใจของพวกเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาดูแลใจกันมารักษาใจมาพัฒนาใจกันดีกว่าดีกว่าที่จะไปหาอะไรต่างๆไปพัฒนาอะไรต่างๆอย่างที่โลกเขากําลังพัฒนากันอยู่พัฒนาบ้านเมืองพัฒนาถนนหนทาง พัฒนาตึกรามบ้านช่องพัฒนาอะไรต่อมีอะไรแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปดูความเจริญในอดีตของแต่ละอาณาจักรว่าตอนนี้มีอะไรหลงเหลือให้เราดูมั้งก็มีแต่ซากปรักหักพังต่างๆ กรุงสุขโขทยัยยิ่งใหญ่ขนาดไหนกรุงศรีอยุธยายิ่งใหญ่ขนาดไหนในที่สุดมันก็กลายเป็นซากป ร, กรักักพังไปกรุงโรมกรุงกรีกนานาจักรต่างๆถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาในยุค ข, ของเขาแต่สิ่งต่างๆในแต่ละยุคมันก็มีการสิ้นสุดลง คนยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่านประวัติศาสตร์ของคนที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ก็กลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปกลายเป็นเศษกระดูกไปมีอันเดียวที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ยังอยู่ต่อไปก็ใจนี่แหละแต่ใจที่ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการดูแล ก็เป็นเหมือนใจที่อนาถานี่เองใจที่ต้องเล่ร่อนไปเหมือนขอทานไปหาอะไรมาเลี้ยงดูใจซึ่งใจที่ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็มักจะไปหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อจิตใจ ก็ไปหาพบชาติต่างๆนี่แหละคือใจของพวกเราไปเวียน่ายตายเกิดไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาได้เท่าไหร่ในที่สุดพอชีวิตสิ้นสุดลงทุกสิ่งทุกอย่างหาไม่ได้ก็กลายเป็นของคนอื่นไป ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปกับตนเองแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นหาใหม่กลับมาเกิดใหม่มาหาทรัพย์สมบัติเก้าวของเงินทองมาหาลาภยศมาหาตําแหน่งมาเป็นนูน่นเป็นนี่มาแข่งขันมาเที่รางวัลเหรียญทองต่างๆไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องทเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆแก่เจ็บตายลงไปการหาความสุขก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุดเมื่อถึงความตาย แล้วก็ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บางทีก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปเกิดในที่ไม่น่าไปเกิดเช่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ยกเว้นพวกที่ มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นพวกนี้ก็จะทำความดีต่อผู้อื่นเวลาที่มีอะไรเหลือเฟือก็แบ่งปันแจกใจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนพวกนี้ก็จะได้ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆ หล น, นี้ก็คือเรื่องของจิตใจที่เวียนว่ายตายเกิดที่ท่องเที่ยวที่ที่เลร่อนไปตามอํานาจของบุญของบาปที่เลร่อนไปตามภาวะเหตุการณ์ต่างๆเลร่อนไปตามสภาพหรือตามความรู้ที่ได้เรียนรู้ จากสังคมที่ตนเองไปเกิดไปอยู่ด้วยก็จะไม่ได้รู้เรื่องความสำคัญของใจจะมารู้ได้ก็ต้องมาเจอศาสนาพุทธทนั้นต้องมาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราพวกเราหากันอยู่นี่เป็นสิ่งที่ ไม่มีคุณค่าราคาเหมือนกับจิตใจของพวกเราเองสิ่งที่มีคุณค่าราคามหาศาลคือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราถ้าได้รับการพัฒนาได้รับการดูแลจะเป็นจิตใจที่มหัศจรรย์ที่จะให้ความสุขแบบที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ สามารถจะให้กับเราได้แต่ตอนนี้จิตใจของพวกเรานี้ถ้าเป็นเพชรก็เป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินเพชรที่ขุดขึ้นมาจากดินนี้ถ้าคนดูไม่เป็นก็คิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาเพราะว่ายังมีเศษดินมีอะไรที่มาหุ้มห่อเพชร น, นั้นอยู่แต่ถ้า คนที่ฉลาดคนที่รู้จักวิธีชำระความสกปรกของสิ่งต่างๆที่มาครอบเพชรนี้เอาไปชำระให้สะอาดเอาไปเจรัยให้สะอาดให้สวยงามก็จะกลายเป็นเพชรอันล้ำค่าขึ้นมานี่แหละคือจิตใจของพวกเราทุกคนที่ ถ้ายังไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พบกับผู้ที่รู้จักวิธีเจรไยเพชรไม่รู้จักวิธีทาความสะอาดเพชรอันประเสริฐนี้ก็จะเป็นเหมือนก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสำคัญที่มีความมหัศจรรย์เท่ากับใจของพวกเราที่ตอนนี้กำลังรอผู้ที่จะมาสอนเราให้เรารู้จักการชำระการทำความสะอาด ทำการเจรณายปรับแต่งให้เป็นใจที่สวยงามเป็นใจที่วิเศษเป็นใจที่มหัศจรรย์นี่นี่แหละถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาใจของเราก็จะเป็นเหมือนก้อนเพชรที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดไม่ได้รับการเจรณายปรับแต่งให เป็นเพชย์ที่แวววาวเป็นเพชร์ที่สวยงามแต่ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะสอนให้พวกเราหยุดไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หยุดไปหาลาบหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหยุดไปหาตำแหน่งอะไรกันที่มีข่าวอยู่ทุกวันนี้ น้ำแหน่งกันใช่ไหมแย่งกันเหมือนหมาแย่งกระดูกใช่ไหมกระดูกมีชิ้นหนึ่งแต่หมามีเป็นสิบตัวก็คอยไปแย่งกัดกันเพื่อที่จะได้กระดูกเช่นนั้นมาครองได้มาครองเดี๋ยวเดียวกินไปขบขัดมันไปเดี๋ยวมันก็หมดนกระดูกมันจะไปอยู่ได้นานแค่ไหนพอได้มากินกันไป แพ้กันไปเดี๋ยวมันก็หมดตําแหน่งต่างๆก็เหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็หมดเดี๋ยวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่มีใครเป็นอะไรได้ไปตลอดเป็นนานบ้างไม่เป็นนานบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าอร่างกายมันตายไปซะก่อนเคอยเป็นอะไรก็ ก็ก็หมดไปกลายเป็นคนอื่นไปคนอื่นก็ขึ้นมาแทนที่มาเป็นแทนอ่นี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราหากันในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นความสุขแบบควอนไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องไปหาใหม่หาไปก็หมดอีกก็หาใหม่อีก หาไปจนวันตายพอตายก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ก็หมดเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีเครื่องมือที่จะไปหาอะไรต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ต้องไปเล่ล่อนหาร่างกายอันใหม่ก่อนจะไปก็อาจจะถูกอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ดึงไปรับผลของบุญของบาปก่อนถ้าทำบาปไว้มากกว่าบุญก็จะถูกบาปดึงไปรับผลในอบายไปถ้าไปได้ร่างกายก็เป็นได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์หุ้มห่อด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความหิวความอยาก หุมห่อด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวหุมห่อด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความชังความเกลียดความอาฆาตพยาบาทนี่คือสภาพของใจที่ทำบาปด้วยสาเหตุต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบาปเพราะไม่รู้เพราะหลงเพราะคิดว่าไม่มีโทษ เช่นคนที่เขาทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็จะบอกว่ามันไม่บาปมันไม่มีโทษมีประโยชน์เหไมฆ่าสัตว์แล้วก็มีเนื้อสัตว์มารับประทานจะมีโทษตรงไหนไม่ผิดกฎหมายกฎหมายก็ไม่ห้ามพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกเดลฉานทำบาปด้วยความไม่รู้ ตายไปก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามอยากได้มากๆอยากมีมากมากทําถ้าไม่ทําบาปแนละ้วมันจะไม่ได้ก็ไปทําบาปกันเพราะทําบาปแนละ้วมันได้ง่ายกว่าได้มากกว่าได้เร็วกว่านั่นเองทันใจกว่า พวกที่ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเพราะพวกนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้สิบก็อยากจะได้ร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้แสนได้ล้านเห็นมมีเงินกันใช้กันไปจนวันตายใช้ไปอีกร้อยชาติก็ไม่หมดแต่พอไหยไม่พอ ก็ยังหิวโหวยอยู่เหมือนกับคนไม่มีเงินมีทองนั่นแหละทำบาปด้วยความโลภนะมันจะทำให้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยตายไปก็ไม่มีอะไรให้กินให้ใช้เพราะไม่ได้เอาอาหารทิพติดตัวไปด้วยเวลาไม่มีร่างกายใจนี้ต้องอาศัยบุญเนื้ออาหารทิพนะ ถ้าไม่ได้ทำบุญไว้เพราะมัวแต่หาเงินมัวแต่รักษาเงินมัวแต่หวงเงินก็จะไม่ชอบทำบุญไม่อยากทำบุญยิ่งไม่รู้ว่าใครไปรับผลบุญยิ่งไม่อยากจะทำใหญ่ยิ่งไม่เชื่อเรื่องบุญใหญ่เชื่อแต่เรื่องหาเงินในปัจจุบันหาให้มันได้มากๆไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปก็ไม่กลัวบุญไม่ไม่กลัวบาปไม่กลัวว่าตายไปแล้ว จะไปเป็นอะไรต่อไปเพราะไม่รู้ว่าใครจะไปเป็นอะไรเห็นแต่ร่างกายไปกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปเวลาตายเขาก็ไปเผาไปวัดไปเผาพวกนี้ก็เลยไม่กลัวบาป พ, พวกนี้พวกโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆก็หาด้วยวิธีทำบาปต่างๆนี่ ตายไปดวงวิญญาณดวงใจนีที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่แหละที่จะต้องไปรับผลบาปของที่ตนเองได้ทำเอาไว้เมื่อไม่ได้ทำบุญมีแต่ทำแต่ความโลภเมตตาทำแต่ความหิวดวงวิญญาณก็จะมีแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาจนกว่าบาป ท, ที่ทำไว้มันหมดกำลัง ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือดวงวิญญาณชนิดอื่นทุกข์เพราะความกลัวหรือทุกข์เพราะความอาฆาตพยาบาทนี่เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของใจที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปทําอะไรไปตาม ความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนั้นถ้ามีความรู้สึกหลงก็ทาบาปไปด้วยความหลงมีความโลภ ก, ก็ทาบาปไปด้วยความโลภมีความกลัวก็ทำบาปไปด้วยความกลัวมีความมาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็ทำบาปไปด้วยความมาฆาตพยาบาทมันก็ไปทำให้ใจเนี่ยจะต้องไปรับผลบาป จากการกระทำตอนที่มีชีวิตอยู่จนกว่าบาปที่ทำไว้นั้นมันหมดกำลังก็จะปล่อยให้ออกมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มักจะกลับมาทำเหมือนเดิมเพราะเคยทำอะไรมามันก็จะติดเป็นนิสัยมาเคยโลภมันก็อยากจะโลภต่อเคยเคยกลัวมันก็จะกลัวต่อ เคยอาฆาตพยาบาทมันก็จะอาฆาตพยาบาทต่อนี่แหละทำไมใจของพวกเราถึงไม่เหมือนกันบางคนขี้โลภบางคนขี้โกรธบางคนขี้กลัวบางคนขี่อาฆาตพยาบาทนั่นก็เพราะว่ามันเป็นนิสัยของใจแต่ละดวงที่เมื่อได้เคยทำอะไรไว้แล้วมันจะติดไปกับใจทุกภพทุกชาติ เคยชอบอะไรมันก็จะชอบอย่างนั้นใครเกลียดอะไรมันก็จะเกลียดอย่างนั้นทำไมบางคนจึงชอบสีไม่เหมือนกันบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีขาวบางคนชอบสีดำสินค้าจึงต้องมีสีต่างๆมาทำไมไม่ทำสีเดียวก็เพราะว่ามันมีความชอบมาไม่เหมือนกันเลยต้องมีสีสันต่างๆ สีไหนขายไม่ออกก็ก็ต้องไม่ผลิตสีไหนขายดีก็ต้องผลิตสีนั้นนั่นก็เพราะดวงใจนี่แหละที่ชอบมันเคยชอบมากี่ยุคกี่สมัยกี่พบกี่ชาติมันก็ไม่เปลี่ยนไปนอกจากเราตั้งใจจะมาเปลี่ยนมันเองที่หลังเปลี่ยนได้ถ้าเราตั้งการจะเปลี่ยน สมมติว่าชานี้เราเคยชอบสีแดงต่อไปนี้เราจะไม่เอาแล้วเราจะเอาสีสีเขียวหรือสีเหลืองเราก็ต้องบังคับใจเห็นเสื้อสีแดงก็ไม่ซื้อซื้อสีเหลืองแทนเอเห็นเงางเกงสีแดงก็ไม่ซื้อซื้อสีเหลืองแทนเปลี่ยนมันบังคับมันให้มันหัดชอบสีใหม่เปลี่ยนไปต่อไปมันก็จะเปลี่ยนความชอบได้ เปลี่ยนจากสีแดงยิ่งถ้าไปเจอหมอดูทำนายถ่ายทัาว่าสีนี้ไม่ถูกกับคุณโอ้ทีนี้เปลี่ยนนะสิสีแดงไม่ถูกกับคุณเนี่ยที่ไม่เจริญรุ่งเรืองอก็เพราะว่าเนี่ยคุณใช้สีแดงแต่ไม่นี้เลิกใช้สีแดงนะอันมาใช้สีเขียวแทนเนีสีเขียวถูกฉลกเนีก็อย่างนี้ก็เปลี่ยนได้เพราะมีอาจารย์สอน อาจารย์สอนว่ า, าสีนี้ไม่ดีไม่ถูกฉลกต้องเอาสีนี้ถ้าพอไปใช้สีนี้พรักพักก็ติดใจติดนิสัยเครชอบสีแดงก็เกลียดบหมืนอนกันทีนี้เพราะถูกสอนให้เกลียดว่า้สีนี้มันจันะไรสีนี้มันไม่ทำให้เราลุ่งเรืองอต้องสีนี้มันถึงทำให้เราลุ่งเรือง เปลี่ยนได้นิสัยของคนเราเปลี่ยนได้บางทีมันมีเหตุการณ์บังคับให้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้เช่นบางคนเกิดมาเคยถนัดมือขวาแล้วไปเจออุบัติเหตุมือขาขาดมือขวาขาดไปไม่มีใช้มือขวาไม่ได้เหลือแต่มือซ้ายะมันก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายเมื่อมันไม่มีมือขวามันก็ต้องหัดใช้มือซ้ายหัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถนัดซ้าย ถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วทีนี้พอชาติหน้ากลับมาเกิดก็ใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีมือขวาก็ใช้ได้มีมือซ้ายก็ใช้ได้เพราะเคยหัดใช้ทั้งสองมือบางคนไม่มีมือใช้เท้าเห็นไหมเนี่ยบคนไม่มีมือใช้เท้าแทนมือใช้เท้าตัดแต่งโมตัดอะไรได้บางคนใช้เท้า ว, วาดเขียนวาดภาพสวยกว่าคนที่ใช้มือวาดเสีย มันอยู่ที่การฝึกนะฝึกฝึกใจเพราะใจนี่แหละเป็นผู้กระทำเข้าใจหมร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนปากกาเป็นเหมือนภูกันแต่ไม่ใช่เป็นผู้ผู้กระทาโดยตรงผู้กระทาคือใจที่มาควบคุมบังคับสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอันนี้แหละคือใจ ที่มีนิสัยต่างๆประกอบมานิสัยดีเราก็เรียกว่าบาลมีนิสัยไม่ดีเราก็เรียกว่าวิบากบา ก, กรรมพวกที่ชอบทำความชั่วเามาักจะเรียกว่าพวกนี้มีวิบา ก, กรรมติดมาพวกชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี โ, โกหกหลอกลวงเดิมสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวเตะ เกียดตค้านพวกนี้มักจะอยู่มักจะถูกเรียกว่าพวกนี้มีกรรมพวกนี้มีวิบากกรรมติดตัวมาส่วนพวกที่มีนิสัยดีก็เรียกว่าพวกนี้มีบุญบาลามีพวกที่เมตตาชอบเมตตาชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับคนนั้นคนนี้ด้วยวิธีการต่างๆช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันมีข้าวของเงินทองอะไรก็เอามาแจกใจ่ายให้กันละกันชอบทำบุญทำทานชอบไปวัดชอบไปฟังเทศฟังธรรมชอบนั่งสมาธิชอบรักษาศีลตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่มีบุญบารมีติดตัวมาบารมีสิบทานบารมีเมตตาบารมี ศีลบาลมีนิกขรมบารา ม, ม, ม, ารามีอุเบกขาบารามีปัญญาบารามีอธิษฐานบาลมีสัจจะบารามีวิริยะบาลมีขันติบารามีอันนี้เป็นนิสัยดีเป็นนิสัยที่เราควรที่จะสะสมกันเพราะนิสัยดีนี่แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้ใจดีทําให้ใจผลิตแต่ความสุขให้กับเรา ส่วนนิสัยไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะมาทำให้จิตใจเราเลวลงทำให้จิตใจเรารามทำให้จิตใจเราทุกเนี่ยนิสัยไม่ดีนี้มันจะทำสร้างความทุกข์ให้กับใจเราระหว่างทำบาปกับไม่ทำบาปนี้อันไหนดีกว่ากันทำบาปแล้วใจเป็นยังไงเย็นไหมไม่ทำบาปแล้วใจเย็นไหม ลองเปรียบเทียบดูนั่นแหละคือสิ่งที่มาพัฒนาใจหรือมาดึงใจให้ลงต่ำก็คือเนี่ยกรรมวิบากรรมหรือว่าบุญบาลามีบุญบาลามีก็ผักดันใจให้ขึ้นสูงวิบากรรมก็ดึงใจให้ลงต่ำให้ลงไปสู่อบายคือวิบากรรมทั้งหลาย ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดลอาฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกพอพ้นจากอบายก็กลับมาทําบาป ก, กรรมใหม่เพราะติดนิสัยเดิมมาเคยกินเหล้าก็กลับมากินเหล้าต่อเคยเล่นการพนันก็เล่นการพนันต่อเคยชอ่อกลงเคยรักทรัพย์ก็กลับมาทําต่อแล้วพอตายไปก็กลับไปรับ ผลในอบายต่อพวกที่มีกรรมเนี่ยจะวนเวียนอยู่ภายในอบายส่วนพวกที่มีบุญนี้ก็จะวนเวียนอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆพวกที่ทําทานรักษาศีลนี้ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาพวกที่ไปบวชไปฝึกจิตทําจิตให้สงบก็ไปเกิดเป็นพรหมก็เวียนว่ายันไปกันมา กลับไปกลับมาอย่างนี้กลับมากี่พบกี่ชาติก็กลับมาบวชกคยบวชก็จะกลับมาบวชกคยิบทำบุญทําทานก็จะกลับมาทำบุญทําทานกคยรักษาศีลก็จะกลับมารักษาศีลก็ Jadi, ดู ส, สิคนในบ้านเราทำไมไม่เหมือนกันทำไมบางคนชอบทำบุญบางคนไม่ชอบทำบุญบางคนชอบรักษาศีลบางคนไม่ชอบรักษาศีล ทั้งๆที่ก็มาจากพี่น้องเป็นพ่อแม่เดียวกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแต่มันไม่มันจิตใจมันไม่เป็นญาติกับใครจิตใจมันในอดีตมันมันไม่ได้เป็นเคยเป็นญาติกันมามันเพียงแต่มาเป็นญาติกันในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเองแล้วก็นิสัยที่จิตใจได้สะสมมามันก็สะสมมาไม่เหมือนกัน บางคนก็สะสมบุญมาบางคนก็สะสมบาปมามันก็เลยพาให้พี่น้องนี้ทำบุญทำบาปไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันบางทีบางทีแม่ชอบทำบุญพ่อชอบทำบาปว่า ม, มีพ่อชอบกินเหล้าเล่นการพนันแม่ชอบไปวัดทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรม อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจนะที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่สะสมะบุญหรือบาปไว้ในใจบุญก็เรียกว่าบารมีบาปก็เรียกว่าวิบากรรมนี่แหละคือเรื่องของใจที่มันไปยาวมันไม่ได้ไปสั้นๆแบบร่างกายเนะี่ยร่างกายของพวกเรานี้ไม่นานหรอกไม่เกินร้อยปี ก็ไปเมนกันท่นั้นไม่มีใครไปที่ไหนแล้วสิ่งต่างๆที่หามาได้ถ้าเป็นท่าตายก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วก็ดวงวิญญาณดวงใจก็ต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปไปเรื่อยๆจะยุติการเล่นล่อนการไปรับใช้ผลบุญผลบาปก็ต้องมาเจอาศาสนาพุทธนั้นเอง พราะศาสนาพุทธนี้มีผู้รู้ทางสู่การยุติการเล่ล่อนของดวงจิต ด, ดวงใจ ร, รู้ที่ที่จิตใจควรจะไปที่เป็นที่ดีที่สุดของจิตใจที่มีแต่ความสุขเพลงอย่างเดียวที่ไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีการเล่ล่อนในการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ต้องมาเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ค้นพบที่ที่ควรจะเอาใจไปตั้งเอาไว้ก็คือท่านให้ชื่อว่าพระนิพพานนิพพานนี่คือที่ที่ดีที่สุดของใจที่จะทำให้ใจนี้มีบรมมสุขปรมังสุขขังนิ่บาหนังปรมังสุขขัง จะไปได้นี่จะต้องเดินไปคือจะต้องอยู่เฉยๆมันไปไม่ได้อยากไปแต่ไม่ออกเดินทางไปไปไม่ได้แล้วจะไปก็ต้องรู้ทางถ้าไม่รู้ทางก็ไปไม่ถูกก็หลงทางได้ก็ต้องมีคนสอนคนบอกทางะคนที่จะสอนที่จะบอกทางก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพูท พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีเป็นผู้ที่ไปถึงแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางอันเลิศอันวิเศษของใจแล้วท่านก็มาบอกพวกที่ยังไปไม่ถึงอย่างพวกเรามาบอกให้พวกเราหยุดหาของที่ไม่มีสาระประโยชน์กับจิตใจหาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ไม่รู้จักหากัน ก็ต้องอาศัยการมีศรัทธาความเชื่อถ้าไม่เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้รู้สิ่งที่ดีสำหรับจิตใจถ้าไม่เชื่อก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามไม่เข้าหายังเชื่อตัวเองอยู่หรือยังเชื่อคนที่สอนว่าความสุขมันมีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแหละอย่าไปหาความสุขจากที่ไหน ต้องหาความสุขจากที่ร่างกายหาได้ร่างกายหาอะไรได้ก็หาเงินหาทองหาุทธาตำแหน่งหารังวีรางวันเห็นไหมนักกีฬาเวลาชนะทีนี้โหกระโดโดโลดเต้นดีอกดีใจได้รางวัลได้เงินทองได้ได้คน เ, เชียร์ได้คนแสดงความยินดี ก็เกิดความสุขขึ้นมาก็จะหลงติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้ไปแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะหาได้นานทักเท่าไรแล้วจะได้ทุกครั้งหรือเปล่าบางทีก็ได้เวลาได้ก็ดีใจพอแพ้เ็าหน่อยทีนี้ก็เสียใจแล้วสิเคยชนะนี่พอแพ้ครั้งเดียวนี่โอ้โหใจนี้ตกต่ำทันที ใหเคยสุดๆเคยมีแต่ความสุขสุดๆทำอะไรต่อสู้ชนะทุกครั้งไปต้องการอะไรก็ได้ทุกครั้งไปก็ดีอกดีใจแต่พอมาแพ้สักครั้งหนึ่งไม่ได้สักครั้งหนึ่งนี้นี่โอ้จิตใจตกต่ำนี่แหละไม่คิดว่านี่คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้มาแล้วบางทีก็เก็บไว้ไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปหายไปก็เหมือนกับไม่ได้เพราะหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอ น, นี่ไม่คิดกันคิดไม่เป็นคิดแต่ด้านเดียวคิดด้ด้านได้ได้แล้วจะมีความสุข แต่ไม่เคยคิดว่าเวลาไม่ได้หรือเวลาเสียไปแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่รู้จะทํอย่างไรเพราะไม่มีคนรู้มาสอนให้เลิกหาสิ่งเหล่านี้ถึงแม้บางทีรู้มาสอนก็ไม่เชื่อเพราะไม่อยากทําเพราะมันยากเคยติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้อยู่ๆจะให้เปลี่ยนไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งนี่ มันยากเคยหาความสุขจากตาหูจมูกเลื่นกายแล้วต้องมาเปลี่ยนไปหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบให้ไปอยู่คนเดียวไม่ให้ไปพบใครไม่ให้ไปดูอะไรไปฟังอะไรไปกินไปดื่มอะไรมันก็ทำไม่ได้เหมือนกับคนติดยาเสพติดอยู่ดีๆก็บอก หยุดเสพดีกว่าเลิกเสพเราจะสบายกว่าเสพแล้วมันสุขก็จริงอยู่แต่มันเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์มากแต่มันก็เลิกไม่ได้เพราะเวลาจะเลิกมันทุกข์มากนั่นเองเวลาเลิกนี้มันต้องไม่เสพอย่ามันถึงจะเลิกได้แต่กว่าจะเลิกได้นี้มันทรมานมากใจถ้าไม่มีกำลังไม่มีเครื่องมือนี้จะสู้ไม่ได้ จะทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้คนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้เพราะว่ามันทุกข์ทรมานใจจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปตัดราบยศสระเสริญตัดความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายไปแล้วไปปรีกวิเวกอยู่ที่สงบอยู่คนเดียว แล้วก็ไปต่อสู้กับกิเลสความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจอันนี้มันเป็นเหมือนกับการปีนภูเขาการทำตามกิเลสเนี่ยมันเหมือนกับการเดินลงเขามันง่ายกิเลสมาชวนนี่โอ้ยไปนันทีกิเลสชวนไปเที่ยวไหมไปไปดูหนังฟังเพลงไหมไปไม่ต้องคิดเลยแต่พอบอกให้ไปวัดไปไหม โอ้ยไปว่างเดี๋ยวต้องเช็คดูตารางก่อนว่างเมื่อไหร่โอ้ยหลายเดือนอ่ะกว่าจะว่างมีมีรายการที่จะต้องไปทำเยอะแยะไปหมดนี่จะนั่งทำตามกิเลสมันมีโปรแกรมไม่ยาวเล ย, ยนั่นหละนี่หละคือปัญหาของพวกเราถึงแม้ว่าจะได้มาพบกับ ผู้รู้ทางและผู้บอกบอกทางให้เราแล้วแต่เรามันไม่มีกำลังที่จะออกเดินทางกันถ้าเชนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องเล่ร่อนต่อไปเป็นนักพนิจจร์ต่อไปไปหาความสุขชั่วคราวไปเรื่อยๆความสุขแบบท้าวอนนี่หามไม่มีวันที่จะหาได้ เราก็ต้องเสียอกเสียใจทุกครั้งที่ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไปนี่คือเรื่องของการที่เราไม่สามารถที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันแต่ถ้าพูดตามความจริงนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถึงแม้ฟังแล้วจะรู้สึกว่ายากก็ตามแต่เราไม่ได้ต้องทำแบบ แบบทัดแบบนั้นทันทีทันใดพระพุทธเจ้าก็มีวิธีว่าให้เราค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปไม่ใช่ว่าไปบวชเลยเไปอยู่คนเดียวเลยตัดทุกอย่างไปถ้าเรายังไม่มีกำลังก็ท่านก็บอกว่าให้เอาตัดทีละเล็กทีละน้อยก่อน เ, อเมื่อต้องไปตัดทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นตเช่นเคยไปเที่ยว ร้อยเปอร์เซ็ตก็ลดเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งไว้หยุดสักลดให้มันน้อยลงไปหน่อยอแล้วเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทําบุญไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปหัดอยู่วัดสักวันหนึ่งถ้าอยู่ไม่ได้วันนึงก็ไปสักครึ่งวันก็ยังดีออไปทําบุญตอนเช้าไปนั่งฟังเทศฟังธรรมเอไปหัดนั่งสมาธิเล็กๆน้อยๆยไปก่อนพอฝึกให้มันมีกําลัง เมือนักวิ่งมาราธอนเน่ยเขาจะเริ่มวิ่งทีเดียวมาราธอนเต็มเลยได้เปล่าไม่ได้หรอกเขาก็ต้องหัดวิ่งทีละร้อยเมตรก่อนเริ่มต้นวิ่งสักร้อยเมตรดูเสไหวไหมพอไหวก็เพิ่มเป็นสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็เป็นสามร้อยเมตรค่อยๆเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวไม่นานเขาก็วิ่งมาราธอนได้อย่างเจ้าทูนบอดี้สแลมนี่เห็นไหมทำไมเขาวิ่ง จากใต้ขึ้นมากรุงเทพได้เขาก็ต้องฝึกก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพอคิดอยากจะวิ่งจากปากใต้ขึ้นมากรุงเทพก็วิ่งเลยวิ่งได้มีกี่ก้าวมันก็หยุดแล้วล่ะถ้ามันไม่เคยฝึกฝนมันของเหล่านี้ฝึกฝนได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกฝนจิตใจเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อน การตนก็นให้เราทำทานกันก่อนเอาเงินทองที่จะไปใช้กับความสุขชั่วคราวเอามาใช้กับความสุขที่ถาวรดีกว่าด้วยการทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานมันจะทำให้เรามีความสุขอีกแบบหนึง่งและจะทําให้ใจเราลดความอยากที่จะ ไปหาความสุขแบบเก่าลงไปได้ค่อยๆทาค่อยๆเปลี่ยนวิธีหาความสุขค่อยหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มก็เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทาบุญทำทานค่อยๆเปลี่ยนไปเทียรเล็กเทียรน้อยตอนต้นทำร้อยละห้าเพิ่มเป็นน้อยละสิบน้อยละยี่สิบ พอเวลาทำแล้วมันจะมีกำลังแล้วมันจะมีความสุขจากการที่ได้ทำมันจะเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวแล้วมันต่อไปมันก็ทำได้พอทาทำบ่อยๆก็จะทำได้มากเมื่อทำได้มากก็ความอยากไปเที่ยวก็จะมีความอยากน้อยลง ความอยากที่จะต้องใช้เงินก็มีน้อยลงก็จะทำให้รักษาสีได้ง่ายขึ้นนที่รักษาสีกันไม่ได้เพราะต้องช้าเงินมากๆเร็วๆง่ายๆเพื่อจะได้เอาไปเที่ยวเอาไปซื้ออะไรที่อยากซื้อกันแต่พอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความจำเป็นที่จะต้องหาเงินแบบง่ายๆมากๆเร็วๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไป ก็จะทําให้เราหาเงินแบบสุดจริตได้หาพอมาเลี้ยงชีพมาใช้กับสิ่งที่จําเป็นก็ไม่ต้องหามากไม่ต้องมีมาก อ, อ, อก็จะทําให้เราก้าวขึ้นสู่ระดับที่สองได้คือระดับการรักษาศีลด้วยเมื่ อ, อก่อนรักษาศีลไม่ได้เลยแต่พอมาหัด ท, ทําบุญทําทานแล้วใจมันก็จะเย็นลงความอยากมัน อยากได้เงินได้ทองอยากทำนู่นทำนี่มันจะน้อยลงไปมันก็เลยทำให้สามารถที่จะมารักษาศินได้เพราะความจำเป็นที่จะต้องหาเงินแบบง่า ย, ายๆเร็วๆนี่มันไม่มีหาแบบยากๆแต่หาแล้วมันไม่ทำบาปดีกว่าใจสบายกว่าใจเย็นกว่าใจมีความสุขมากกว่า ต่อไปก็รักษาศีลห้าได้รักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปก็อยากจะไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบเอก็ลองไปได้เอตอนต้นก็ลองหนึ่งวันก่อนลองไปอยู่วัดหนึ่งวันเปลี่ยนจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดดูลองไปหัดรักษาศีลแปดลองไปหัดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ เรียนรู้วิธีการหาความสุขแบบใหม่หาความสุขในใจที่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐมาหามาทำใจให้เลิศให้ประเสริฐดีกว่าใจของเราจะได้รับการชาระได้รับการเจรนาด้วยการทำบุญทำทานนี้ด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา คือทําจิตให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาแล้วทําจิตสอนจิตให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาทําไปตามขั้นมันก็ขยับขึ้นไปได้เองไม่เคยทําบุญทําทานมาก่อนก็ต้องเริ่มที่ตรงทําบุญทําทานไปก่อนทําบุญทําทานแล้วไม่เคยรักษาศี่ห้าก็จะมีกําลังที่จะรักษาศี่ห้าได้ ไม่เคยรักษาสินแปดเพราะรักษาศินห้าได้ก็ไปหาไปหารักษาศินแปดได้เพราะเมื่อรักษาห้าข้อได้แล้วอีกสามข้อมันจะไปยากตรงไห น, นยิ่งสามข้อนี้ง่ายยิ่งกว่าห้าข้อแรกห้าข้อแรกนี้ยากกว่าสามข้อสามข้อหลังสามข้อหลังไม่อยู่เฉยเฉยท่นเองไม่ให้ไปนอนกับใครไม่ให้กินตามความอยากให้กินตามเวลา ไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปอเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแลต้ต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปให้นอนนอนให้พอพอพอแล้วให้ลุกอย่านอนต่อส่วนใหญ่มักจะนอนต่อกัน ร่างกายมันตื่นแล้วมันพอแล้วแต่ใจมันอยากจะนอนต่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมามาปฏิบัติกันมาทำกันพอรักษาศีิได้ก็จะมีเวลามีเวลาที่จะมาฝึกจิตแล้วมาฝึกสมาธิมาทำจิตให้สงบด้วยการจเจริญสติ สตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้เวลาวิ่งนี้ถ้าต้องการให้มันหยุดนี้ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกมันไม่หยุดถ้ามีเบรกแล้วเหยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดจิตก็เหมือนกันถ้าอยากให้จิตเนิ่งจิตสงบจิตมีสมาธิมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ต้องใช้เบรกใช้สติหยุดความคิด หยุดความคิดถ้าหยุดความคิดหยุดจิตก็จะนิ่งจะสงบแล้วความสุขอันมหัศาลของจิตก็จะปรากฏให้เราพบให้เราเห็นให้เรารู้ว่าอ๋อนี่แหละที่พระเจ้าบอกว่าจิตเป็นประธานจิตเป็นใหญ่จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ว่าไม่มีความสุขในที่ไหนที่จะให้ความสุขได้เท่ากับความสุขในใจนี้ให้ดอให้มีเงินทองแสนล้าน มันก็ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้ในใจนี่ต่อให้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ตามมันก็ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบต่อให้ได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกร้อยเหรียญก็ตามพันเหรียญก็ตามมันก็ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้พบได้เห็นกันถ้าเรามา ทำละจิตใจมาเจรนายจิตใจมาปรับแต่งจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดขึ้นที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเนถ้าเราได้ขั้นสมาธินี้เรายังได้ขั้นที่ยังไม่ถาวรถึงแม้จะเป็นความสุขอันมหาศจนร์ใจแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้มันมหัศจรร์ไปได้ตลอดเวลา ถ้าอยากจะให้มันมหัจจัญ์อยู่ตลอดเวลานี้ต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งที่ชั้นเรียกว่าวิปัสสนาชั้นวิปัสสนานี้จะมีอยู่ในคำสอนของศาสนาพุทธนั้นในศาสนาอื่นนี้เขามีสอนให้ทำบุญทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ทำสมาธิกัน นี่มีมาตั้งแต่นานแล้วมีตั้งแต่ก็ที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุ้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความสงบของใจที่มาสัจจ์นี้อยู่ไปตลอดมีได้แล้วก็มีเสื่อมเวลาอยู่ในสมาธิก็สุขพอจากสมาธิมามันก็จางหายไปไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้มัน ไม่จางหายไปมีพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละที่มาทรงค้นหาวิธีจนในที่สุดก็ทรงคน้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้ความสงบนี้เสื่อมก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจของเรานี่เองความอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราเสื่อมให้ความสงบที่ได้จากความความสุขที่ได้จากความสงบนี้เสื่อมไป ถ้าอยากจะให้มันไม่เสื่อมเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องฝืนมันไม่ทำตามมันจะฝืนมันได้ก็ต้องรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวได้แล้วก็อาจจะหมดไปได้อย่างรวดเร็วไม่เร็วก็ช้าก็ต้องหมดไป หรือว่าบางทีอยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจอยากจะไปกินขนมไปที่ร้านร้านปิดพอดีก็เสียใจไม่ได้กินอันนี้ให้ให้ดูความเป็นจริงว่าความสุขที่เราต้องการนั้นมันกลายเป็นความทุกข์ได้แล้วเรื่องอะไรไปหามันทาไมเราไปหาความสุขแต่ในที่สุดก็ไปเจอความทุกข์พอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยาก ต้องการนี้มันเป็นความทุกข์มันมันจะต้องเป็นความทุกข์ตามมาไม่ช้ากเ็เร็วก็ไม่เอามันดีกว่าก็เลิกอยากเสียก็อยากได้เงินก็เลิกไปอยากจะเป็นอะไรก็เลิกไปอยากจะได้รางวัลอะไรก็เลิกไปอยากไปเที่ยวอยากไปกินไปดื่มอะไรก็เยอเลิกมันไปให้หมดเวลามันเกิดความอยากแล้วก็เลิก เอาความสุขที่ได้จากความสงบนี่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าดีกว่าพอเรารู้ความจริงแล้วเราสามารถหยุดใจหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากที่มาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบมันก็จะหายไปหมดใจเราก็จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังไปตลอดเวลา นี่หละคือขบวนการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจากความสุขระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ความสุขระดับของเทวดาจากระดับของเทวดาขึ้นไปสู่ความสุขของพรหมจากระดับของพรหมก็ขึ้นสู่ความสุขระดับของพระอริยบุคคล ความสุขระดับของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีณในที่สุดก็ความสุขของพระอาราหันต์ที่เป็นความสุขที่ทาวรที่เป็นนิพพานังปรมังสุ ข, ขังอันนี้เกิดจากการที่เราเชื่อในคําสั่งคําสอนและมีความยิน ด, ดีที่จะปฏิบัติตาม ความที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากที่จะเกิดจากการปฏิบัติแต่เราก็ไม่ปฏิบัติแบบหักโหมมากจนเกินกําลังของเราถ้าปฏิบัติมากเกินกําลังมันจะทําไม่ได้แล้วมันจะมันจะท้อใจและจะไม่อยากทําเราทําในระดับที่เราทําได้ไปก่อนเหมือนคนที่หัดวิ่งใหม่ๆก็ลองวิ่งไปก่อน วิ่งได้เท่าไหร่พอเหนื่อยก็เลิกก็หยุดไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาวิ่งต่ออแล้วก็เพิ่มมันไปทีละเล็กทีละน้อยพอเราเริ่มทําแล้วมันก็จะมีกําลังที่จะทําเพิ่มมากขึ้นไปได้เลยตอนต้นก็ทําทานทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนแล้วพอเห็นคุณประโยชน์จากการทําบุญทําทานว่าทําให้จิตใจเรามีความสุขก็ทําให้มากขึ้น ดีกว่าเอาเงินไปซื้อไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นเป็นความสุขที่ทำให้เราทุกตามมาเวลาอยากเที่ยวอยากเล่นแล้วไม่มีเงินไปเที่ยวไปเล่นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้หัดทำไปทำทานไปทีละเล็กทีละน้อยรักษาศีลไปทีละเล็กทีละน้อยหัดนั่งสมาธิไปทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งลองนั่งสักสิบห้านาทีก่อน แล้วก็พิ่มเป็นยี่สิบนาทีเพิ่มเป็นสามสิบนาทีคนเราถ้าลองทําจริงๆมันทําได้นีไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้เลยหรอกนะฮตอนเป็นเด็กก็ต้องหัดคลานไปก่อนหัดคลานแล้วก็ค่อยๆหัดยืนเห็นไหมสังเกตดูเด็กมันอยากจะยืนขึ้นมันเองไม่ต้องไปสอนมันหรอกมันอยากจะยืนมันเห็นคนอื่นเดินแล้วมันอยากจะเดินเพราะมันเดินไปไหนมาไหนมันทําอะไรได้มากกว่าคลานเนีไง มันก็จะหัดยืนหัดคละหัดเดินแล้วเดี๋ยวมันก็หัดวิ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเรานี่หัดได้หัดทำบุญทำทานได้หัดรักษาศีลได้หัดภาวนาได้พัฒนาไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยขอให้ทำให้ไม่หยุดเถิดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนข้อสำคัญต้องอย่าหยุดต้องทำไปเรื่อย อย่าทำแบบตามอารมณ์วันนี้อยากทำก็ทำวันไหนไม่อยากทำก็ไม่ทำถ้าไปเจออารมณ์ไม่ดีไม่ทำยาวไปเลยจน ก, กระทั่งดีไม่ดีลืมไปเลยว่าต้องไปทำอะไรบ้างเพราะไม่ทำบ่อยๆมันจะลืมแล้วมันจะทำยากเวลามาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าทำอยู่ทุกวันนี้มันจะไม่มันง่ายเพราะเคยทำอะไรมันก็จะทำอย่างน้อยก็ทำได้เท่าเดิม ถ้าอยากจะทำมากกว่าก็ต้องใช้กำลังเพิ่มขึ้นต้องบังคับแต่พอบังคับได้เดี๋ยววันต่อไปมันก็ทำเพิ่มมากขึ้นไปได้อนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจในการที่เราจะมาพัฒนาจิตใจของเรามาเจรนายจิตใจของเราให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาเป็นเพชรที่มีคุณค่ามาหาศาล เป็นเพชรที่แวววาวด้วยนิบบานังปรมังสุขขังเนี่ยก็เกิดจากการความพยายามปฏิบัติของเราตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทาจากที่เราทำได้ไปก่อนทำตอนนี้เราทำได้มากน้อยเพียงไรทำไปก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับต่อไปเรารู้ทางแล้วนี่เรารู้แผนที่แล้วนี่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างทานศีลปามานาใช่ไห ทำทานไปเรื่อยๆจนในที่สุดเรานิมทาได้ตลอดเวลาเราสามารถเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ในทางที่ผิดเอามาใช้ในทางที่ถูกได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเราสามารถก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลขั้นต่างๆได้ไปภาวนาได้ตอนนั้นเราเลิกทำทานก็ได้ เพราะทานก็เป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะพาให้เราขึ้นไปสู่ระดับการปฏิบัติศีลภาวนาต่อไปเพราะเราไปเข้าสู่ภาวนาไปบวชได้เราก็เลิกทำทานนะมีเงินทองก็เก็บเอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือถ้าไปบวชถ้าไปเป็นพระก็ไม่ต้องมีก็ยกให้ใครไปก็ได้อันนี่เป็นที่ทำได้ ถ้าเราศึกษารายละเอียดแล้วเราจะรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เราปฏิบัติได้ตรงไหนขั้นไหนเราก็ทำไปตรงนั้นก่อนตรงไหนที่เรายังทำไม่ได้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้รักษาศีลได้กี่ข้ อ, อตอนนี้รักษาได้ข้อเดียวต่อไปเพิ่มเป็นสองข้ อ, อเพิ่มไปสามข้ อ, อเพิ่มไปได้เรื่อยแล้วเดี๋ยวก็จะรักษาได้ครบเองอเหมือนกับเด็ก วันนี้กำลังคานอยู่พรุ่งนี้ต้องยืนวันเลืนี้ต้องเดินต่อวันถัดไปต้องวิ่งได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็พยายามผลักดันไปเดี๋ยวมันก็ทำได้ทุกคนเหมือนกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาแต่เกิดพระพุทธเจ้าก็เป็นเด็กทาลุกทางด้านการปฏิบัติมาตอนเริ่มต้นแต่อายัยท่านก็มีความเพียรพยายามปฏิบัติ ท่านอาจจะมีของเก่าติดตัวมาแล้วมันเลยทำให้ท่านไปง่ายกว่าไปเร็วกว่าท่านนั้นเองพวกที่ไม่มีของเก่าก็ต้องมาสร้างใหม่ในตอนนี้พวกที่ไม่มีบารมีติดมาก็ไม่เป็นไรเมื่อไม่มีของเก่าก็มาสร้างใหม่ได้ในวันนี้เหมือนพวกที่เติมน้ำมันมาครึ่งถังกับพวกที่ไม่มีน้ำมันในถังก็เติมวันนี้ได้วันนี้ไม่มีน้ามันในถังก็เริ่มเติมวันนี้ได้พวกที่มีครึ่งถังก็เติมอีกครึ่งถังก็เร็วกว่า พวกที่มันไม่มีเลยในถังก็ต้องใช้เวลาเติมมากนานกว่าทท่านั้นเองแต่ถ้ามีการเติมน้ามันเดี๋ยวมันก็เต็มถังเหมือนกันแหละเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองยังไม่มีสาเหตุที่จะมาทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราเชื่อและเห็นคุณค่าประโยชน์ของการปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนแล้ว รับรองได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาขวางกัน้นการปฏิบัติของเราได้ไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้จิตใจที่จะเป็นเพชรน้าหนึ่งที่จะให้ความมาสจัจจรับเราไปตลอดเวลานี่คือเรื่องของใจที่พระเจ้าสอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับจิตใจเราจรึงไม่ควรเสียเวลากับการให้ความสำคัญกับสิ่งอย่างอื่นถ้าให้ก็ให้เท่าที่จาเป็นเช่นร่างกายยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติก็เลี้ยงดูมันไปให้มันอยู่ตามปกติไม่ต้องไปเสริมสวยความงามไม่ต้องไปหาอาหารพิเศษอะไรมากินมามาเด่ม เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำให้ร่างกายมันอยู่ไปได้ตลอดอาหารวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเออนพอให้มันอยู่ได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็พออย่างอื่นก็อย่าไปหาห้เสียเวลาลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายเอาเวลามา ชำระใจให้สะอาดมาเจรนายปรับแต่งจิตใจให้กายเป็นเพชรน้ำหนึ่งดีกว่านี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษาทำความเข้าใจเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปันาราโสยธาเมณิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจังวุฒาปัจายโน จัตตารธรรมวัานติอายุวันโอสุขังภาละวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร o อย u ี่สิบยสองร้อยหกสิบห้าวิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังข้างบนนี้ 61สิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบเก้าครับโ okay. อเคก็มีคำถามอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านไปกันแล้วกันคำถามจากข้างบนนี้นะครับมีสองคำถาม <c oughs> คำถามแรกถ้าผมทำทานโดยหวังบุญหวังสุขติโลกสวรรค์แต่ความตรณีที่เหนียวยังไม่ลดลงเลย ผมจะได้เศษบุญบ้างไหมครับก็การทําบุญมันก็เป็นไปตามปริมาณของการทำนั่นแหละทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ได้มากถึงแม้ว่ายัางจะมีความตนันต์อยู่ก็ไม่เป็นไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญขอให้เราได้ทําก็แล้วกันเหมือนกับการรับประทานอาหารเนจะไม่อยากรับประทานก็ตามขอให้รับประทานไปก็แล้วกัน รับประทานถึงแม้ไม่อยากจะรับประทานมันก็อิ่มแต่ถ้าไม่ได้รับประทานมันก็จะไม่มีวันอิ่มรับประทานน้อยมันก็อิ่มน้อยรับประทานมากมันก็อิ่มมากงั้นถ้าอยากจะได้สวรรค์สูงขึ้นไปตามลำดับก็ต้องทำบุญมากขึ้นไปตามลำดับสวรรค์ท่านก็แบ่งไว้หกชั้นด้วยกันมีชื่อต่างๆเช่นดุสิตดาวดึงอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็อยู่ที่ปริมาณของบุญที่ได้ทําไว้ทํามากก็จะได้ความสุขมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลําดับครับและในเวลาที่ทําการค้าขายก็มักเอาเปรียบลูกค้าบ่อยๆมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็คิดว่ายอมเสียเปรียบจะดีกว่าเพราะเสียเปรียบจะได้ทําบุญการทําบุญนี้เป็นการเสียเปรียบ ใช่มเวลาคุณทําบุญใส่บาทนี่คุณขาดทุนไหมซื้อซื้อของมาเท่าไหร่ไม่ได้คืนไม่ได้เงินคืนมาเลยใส่บาทไปหมดเนี่ยแต่ได้บุญคนที่อยากจะได้บุญต้องยอมเสียเปรียบถึงจะทําบุญได้ถ้าไม่ไม่ยอมเสียเปรียบก็จะยากต่อการทําบุญนั้นยอมเสียเปรียบดีกว่าทำลายน้อยหน่อยแต่จะได้บุญะ โดยที่ไม่ต้องไปทำที่วัดไม่ต้องไปใส่บาตรไม่ต้องไปบริจาคเงินทองให้กับใครให้กับลูกค้าที่เขามาทามาซื้อของกับเรานี่แหละเราสามารถทำบุญกับเขาได้ด้วยการลดราคาหรือลดการกำไรของเราให้น้อยลงคงจะไม่ถึงกับขั้นขาดทุนถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องไปขายดีกว่าแต่ถ้ายังค้าขายยังต้องการมีรายได้ยังต้องมีการกาไรอยู่ก็ให้มันอยู่ใน ปริมาณที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ก็พออย่าไปอยากเลิ่มอยากรวยอยากไปอยากได้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเลยถ้าเรายังอยากจะใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยใช้เงินกับการไปเที่ยวอยู่เราก็ต้องเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพื่อที่เราจะได้เงินไปใช้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราคิดว่าทำมาค้าขายเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองเราก็จะไม่ต้องมีมีเงินทองมากมายก่ายกอง เราก็จะสามารถขายของแบบมีความเมตตามีความเสียเปรียบได้บางครั้งเจอลูกค้าไม่มีเงนินอาจจะให้เขาฟรีก็ได้เพราะคนเราไม่เหมือนกันมีฐานะไม่เหมือนกันบางคนก็รวยบางคนก็จนเมื่อสองวันก่อนก็มีข่าวในต่างประเทศรู้อยู่สึกที่กรุงนิวยอรนะ์กมมีมีผู้หญิงคนหนึ่งไปขโมยของในร้าน เจ้าของร้านก็โทรเรียกตำรวจพอดีตำรวจมาพอดีตำรวจเห็นหน้าทาท่าทางว่าทุกยากลำบากแทนที่จะจับแบบจ่ายเงินค่าของที่ที่เขาขโมยไปให้เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำถึง แ, แม้มันจะผิดกฎหมายแต่มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นเรื่องของความเมตตาเรื่องของการช่วยเหลือกัน เขาก็เลยทำแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปจับเขาไปลงโทษเพราะเห็นว่าเขาอดอดข้าวอดกินเอาตอาหารมาไม่มีข้าวกินแล้วจะให้เขาทำยังไงบางทีเขาว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการไปลักขโมยข้าวของมากินนั่นเองนี่เมื่อเรามีกินมีใช้เราพอเราไม่เดือดร้อนที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปดีกว่าจะจับเขาไปติดคุกติดตารางไปทำอะไร แต่ก็คงต้องบอกว่าไม่ควรจะทำนะํทำเพราะทําแล้วมันก็ไปทั้งความเดือดร้อนให้กับเจ้าของของคำถามต่อไปถ้าอยากได้บุญมากๆจากการทําทานจะทําทานกับพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญได้ที่ไหนครับเ อ, อ๋อไม่จําเป็นจะต้องทํากับใครที่มีเนื้อนาบุญการทําทานถ้าอยากจะได้บุญเฉพาะในใจเหล่านี้ไม่ต้องทํากับไม่ต้องเลือกทําทํากับใครก็ได้ มันไม่ได้อยู่ผู้รับมันอยู่ที่ของที่เราให้ว่ามากหรือน้อยแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นผลตอบเป็นสิ่งตอบแทนจากผู้รับเนี่ยเราถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมะเท่านั้นเองที่มีให้เลือกก็เพราะว่าเราอยากจะได้เราได้สิ่งตอบแทนเหมือนกับเวลาเราไปเติมน้ํามันตามปั๊มต่างๆเขาก็มีของแจกไม่เหมือนกันะ บางปั๊มก็แจกกระดาษบางปั๊มก็แจกน้ําดื่มบางปั๊มก็แจกสบู่ยาซีฟันก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้อะไรแต่น้ํามันเราก็ได้เหมือนกันทุกปั๊มเติมร้อยบาทก็ได้น้ํามันร้อยบาทเท่ากันแต่แต่อาจจะได้ของแถมบางปั๊มก็มีของแถมบางปั๊มก็ไม่มีของแถมถ้าเราต้องการเพียงแต่น้ํามันเราก็ไม่ต้องเลือกปั๊มปั๊มไหนมันก็เหมือนกัน แต่ถ้าเราต้องการของแถมด้วยเราก็ต้องไปเลือกปั๊มที่เขาแจกของที่เราอยากได้การทาบุญกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะมีของตอบแทนจากเขาเป็นการตอบแทนก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการอะไรจากเขาถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกพระที่มีธรรมะเยอะๆพระที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็พระอาหารหันต์ตามลาดับไปเรื่อยๆ ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกหาพระที่มีธรรมะเพราะเมื่อเราไปหาท่านเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านนั่นเองท่านก็จะสอนธรรมะให้กับเราคำถามต่อไปจากคุณพิมพรหนูได้ช่วยงานแรงบุญที่วัดค่ะโดยดูแลโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดจะทำแบบนี้เป็นประจำและมี ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ให้เงินหนูไว้เขาบอกว่าเอาไว้ให้ใช้ให้มาหนึ่งร้อยหนูเลยคิดว่าจะนําเงินหนึ่งร้อยบาทนี้ไปทําบุญแล้วก็ออกเงินของหนูเองเอีกหนึ่งร้อยบาทเป็นสองร้อยคำถามนะครับการที่เงินที่เขาให้หนูไปแล้วหนูนําไปทําบุญแล้วหนูจะได้บุญสองร้อยนี้ใหม่เจ้าคะไม่เรอกหนได้แค่ร้อยเดียว เพราะว่าเงินของเขาเขาเป็นคนได้เราเป็นเพียงแต่ผู้ไปทำหน้าที่แทนเขาเอาไปทำบุญให้เขาเท่านั้นเองเราต้องดูปริมาณของเราเงินที่เราเสียไปเหมือนกับคนที่บางทีจัดผ้าป่าจัดอะไรแล้วก็ไปเลียลายแจกซองได้เงินมาเยอะแยะแต่ตัวเองออกแค่สองร้อยแต่เงินที่ได้มาทำบุญทอดผ้าป่าได้สองแสน แต่ตัวเองออกแค่สองร้อยตัวเองก็ได้แค่สองร้อยเท่านั้นแหะไอ้แสนกว่าบาทนั้นเป็นของคนที่เขาใส่ซองมาให้ไม่ใช่ของคนที่ไปเลี้ยลายมาเนี่ยบางทีคนเราเข้าใจผิดทําบุญอยากจะได้บุญเยอะๆแต่ไม่ยอมฟักกระเป๋าตัวเองก็เลยแจกซองแล้วก็ไปเอาจากคนอื่นมาทำอย่างนี้ตัวเองไม่ได้อะไรเงินของใครของมันใครเสียเงินคนนั้นได้เงินได้บุญ คนไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญอาจจะได้บุญอย่างอื่นได้จากการที่ไปรวบรวมเงินมาทําบุญเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นบุญแบบที่ได้จากการเสียเงินทองไปคําถามต่อไปจากคุณธนากร ถ, าถ้ามีเพื่อนบ้านที่นิสัยไม่ดีชอบคุยข่มเราพูดจากระทบเราสามารถ โต้อตอบได้ไหมครับเป็นการปัดป้องและให้เขาได้รู้ว่าเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเลยก็แล้วแต่เราก็ลองดูสิว่าเป็นยังไง ร, ระวังเฉยกับไปโต้อตอบอย่างไงดีกว่ากันถ้าเฉยปล่อยก็พูดไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองถ้าเราไปโต้อตอบเขาก็ยิ่งตอบกลับใหญ่เดี๋ยวตอบไปตอบมาเดี๋ยวก็ตบไปตบมาเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยแค่ปล่อยก็พูดไปให้พอ เดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองเอราไปคุยกับเสาดูเลยเราไปโ อ, โอ้อวดกับเสากูเก่งอย่างงั้นกูเก่งอย่างนี้เอดูเสามันจะว่างไงปะ่ะมันก็ฟังอย่างเดียวฮะอพูดให้พอพี่อยากจะพูดอะไรพูดให้พอเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดเองะดีที่สุดก็คือนิ่งเฉยคำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม การล้างป่าช้าถือเป็นการได้ทำบุญไหมครับล้างป่าช้าเพื่อจะได้มีที่ให้มาฝังศพใหม่ไม่ใช่อะไรหรอกที่เขาร้างป่าช้าเพราะมันไม่มีที่ฝังศพแล้วเขาก็เลยต้องไปขุดไอ้ศพเก่านี้ขึ้นมาแล้วเอามาเผาทิ้งไปให้หมดเพื่อจะได้มีที่สำหรับฝังศพใหม่เพราะว่าที่มันมีจำนวนจำกัดแต่คนตายมันไม่จำมันไม่จากัดมันมีแต่ะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยรื่อยเขาก็เลยต้องไปล้างป่าช้ากัน บุญที่ได้ก็คือจากการที่เราไปาทำสถานที่ให้มีที่ฝังศพเท่านั้นเองเพราะคนตายจะต้องมีที่ฝังศพถ้าเชื่อแบบนั้นถ้ามีความเชื่อว่าตายแล้วต้องฝังอย่างเดียวก็ต้องมีที่ฝังพอที่มันเต็มมันก็ต้องไปขุดศพต่างๆที่ฝังไว้เอาขึ้นมาแล้วก็เอามาเผาทิ้งไปหรือเอามากองรวมในหลุมเอกหลุมหนึ่งจะได้มีที่ที่สาหรับมา ฝังศพใหม่ต่อไปเท่านั้นเองถ้าจะได้ประโยชน์ในทางปฏิบัติก็คือจะได้เห็นอสุภะอันนี้จะได้ปัญญาทางศาสนาพุทธคือจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างไรมันสวยงามนี้มันไม่สวยงามจะได้ไม่ลหลงไหลคลั่งไคล้กับร่างกายมากจนเกินไปมันสวยตอนที่ยังมีลมหายใจเท่านั้นแหละพอไม่มีลมหายใจแล้วมันก็กลายเป็นซากศพไป ทิ้งไปนานๆมันก็กลายเป็นเศษกระดูกไปอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์เป็นได้บุญทางศาสนาไปล้างป่าชาจะได้เห็นศพเห็นความตายเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะตัดการอารมณ์ตัดความยึดติดในร่างกายก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไป คำถามต่อไปจากคุณสุภชัยต้องฝึกสติปัญญาจนถึงขั้นไหนดวงจิตถึงจะไม่กลัวเวลาที่จะต้องตายครับก็ถึงเวลาที่มันไม่กลัวสิจนถึงขั้นไหนก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ลองไปทดสอบดูว่าตอนนี้ยังกลัวหรือเปล่ากลัวผีกลัวอะไรก็ลองไปหาผีดูไปอยู่ป่าช้าดูกลัวตายก็ไปลองไปอยู่ในที่ ที่เปลียวในป่าที่อันตรายดูดูซิว่ายัางกลัวหรือเปล่าถ้ายัางกลัวแสดงว่ายัางสติปัญญายัางไม่ถึงขั้นก็ทำไปจนกว่ามันจะไม่กลัวนั่นแหละคำถามต่อไปจากคุณนัทนันความรู้สึกปิติเป็นความพอใจหรือไม่เจ้าคะ่ะเราพอใจหรือเปล่าวลา้วเราปิติไม่น่าจะถามเลยของวันนี้มันอยู่ในตัวเราแท้ ลองดูสิลองสังเกตเวลาเรามีความปิติเราพอใจหรือเราเสียใจถ้าเสียใจเขาคงไม่เรียกว่าปิติคำถามต่อไปจากคุทิจะมองอะไรต่างๆและคิดไปเรื่อยค่ะมีวิธีแก้ไขอย่างไรก็หลับตาสิการฟังธรรมนี้ก็ต้องให้ตั้งใจฟังอย่าไปคิดอะไรให้ฟังเสียงธรรมเป็นอารมณ์ ถ้าคิดตามได้ก็คิดตามไปนึกภาพตามที่ผู้แสดงแสดงไว้ก็นึกไปก็จะได้ปัญญาถ้านึกภาพไม่ออกก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆก็จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณเพชรบารมีสิบประการมีความสําคัญอย่างไรครับก็เป็นองค์ประกอบที่จะเจื่อไนาจิตใจที่เป็นเหมือนก้อนหินธรรมดานี้ให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมา เหมือนกับเครื่องที่ช่างเพชรเขาต้องมีในการเจรนายเพชรเนี่ยเขาต้องมีน้ำยามาคอยทำเอาคราบสกปรกที่ติดอยู่บนผิวของเพชรออกไปก่อนจำละทำความสะอาดก่อนเมื่อทำแล้วก็ต้องมีเครื่องมาเจียรนายมามาปรับแต่งให้มันมีรูปมีล่างแล้วก็ต้องมาขัดมาให้มันเงาขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกัน การปฏิบัติธรรมก็เป็นการเจรณายจิตใจให้เป็นจิตใจที่สวยงามด้วยบารมีสิบนี้เองสวยงามด้วยความเมตตาสวยงามด้วยการทำบุญทาทานสวยงามด้วยการรักษาศีลสวยงามด้วยการละความความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสดสวยงามด้วยใจที่นิ่งสงบ ที่เป็นอุเบกขาสวยงามด้วยใจที่เป็นมีปัญญาเนี่ยนี่คือความสวยงามที่จะเกิดจากการที่เราสร้างบรารมีสิบขึ้นมาในใจของเราหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหม anybody like to ask any more question well if not i I think this will be